มีสติเห็นกายอันหนึ่งเห็นใจอันหนึ่งแล้วก็เห็นอารมณ์ในใจอันหนึ่งมันก็ดูเหมือนจะทำอะไรหลายๆอย่างพร้อมๆกันแต่จริงๆแล้วว่าถ้าเราทำก็คือมันก็ ตั้งท่าอยู่ที่แค่มีสติมีสติที่ลมหายใจมีสติที่พุทโธก็ทำแค่นี้แหละพมอมีสติเห็นพุทโธเห็นลมหายใจพอเราเริ่มมีความชำนาญมากขึ้น มันก็เห็นเห็นใจเห็นอารมณ์ในใจเพราะฉะนั้นมันก็จะเห็นน่แหละแค่เรานึกว่าเรานึกพุทโธดูลมมีสติย้อนกลับเข้ามาในภายในมันก็เห็นนี่แหละเห็นกายอันหนึ่งเห็นใจอันหนึ่งเห็นอารมณ์ในใจอันหนึ่ง แต่เห็นอารมณ์ในใจก็อาจจะดูลำบากอาจจะดูยากสักนิดหนึ่งแต่มันเป็นคุณสมบัติของผู้ที่ภาวนาที่ดีอ่ะที่จะต้องเห็นเพราะฉะนั้นเราก็พยายามที่จะเห็นมันให้ได้ด้วยพอเราเห็นอารมณ์ในใจเห็นใจเห็นอารมณ์ในใจเนี่ย มันจะทำให้เราเป็นเขาเรียกว่าเป็นพื้นฐานของคนที่จะภาวนาให้มันละเอียดลงไปพอมีสติเห็นพุโทโธเห็นลมหายใจเราก็กำหนดดูใจเราเนี่ยเราก็รู้ว่าใจเราเนี่ยเป็นยังไงมันแช่อยู่ในอารมณ์ไหมหรือว่ามัน มันปล่อยอารมณ์แล้วก็มีความว่างทรงตัวอยู่อย่างนี้อันนี้มันก็เป็นรายละเอียดอย่างละเอียดอ่ะที่เราภาวนาดีไปเรื่อยๆละเอียดเรอในวาระ จ, จิตเรามากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะชัดเจน่ะในเรื่องพวกนี้ในตอนที่เราเรามีใจที่ มันวางมันว่างจากอารมณ์ที่ยึดถือเนี่ยมันทรงตัวไว้เนี่ยมันมันไม่ได้เป็นเหมือนกับคนที่ภาวนาแล้วก็แช่อยู่ในอารมณ์สงบนะมันก็คนละอย่างกันการที่ภาวนาแล้วแช่อยู่ในอารมณ์สงบเนี่ยมันก็เขาเรียกว่ามันยังยึดยังถือยังเกาะยังเกี่ยวในอารมณ์อยู่ แต่ตอนที่เราปล่อยวางใช่ไหมพอปล่อยวางได้ว่างใจมันก็ว่างอ่ะพอว่างมันก็ไม่รู้จะทําอะไรมันก็ทรงตัวอยู่อย่างนั้นนั่นแหละมันว่างสบายเบาสบายไปจะต้องมานืง่งมาคิดมาพิจารณาจังหวะแบบนั้นมันวางไปแล้ว วางไปแล้วมันก็วางมันก็นิ่งๆไปมีสติคอยรู้อยู่คอยรู้อยู่พอมันมันวางลงไปมันก็มีสติรู้อยู่แค่นี้แหละมีสติรู้รู้ใจเรามันก็พูดยากนะการที่มีสติเห็นใจแล้วมันก็ จ่อแช่อยู่ในอารมณ์นิ่งๆไปกับมีสติเห็นใจที่ใจมันวางจากอารมณ์ทั้งหลายแม้แต่อารมณ์ในใจนะวางได้มันก็ว่างมันก็นิ่งๆมีสติรู้อยู่ใจเบาสบายมันก็ยากยากตรงที่ มันจับเอามาให้ตาดูไม่ได้นะก็ได้แต่คอยพูดเป็นแผนที่ไปแต่มันก็ไม่จําเป็นที่เราจะต้องเอามาใส่ใจมากก็บอกเป็นไกด์ไลน์ว่าเฉยๆฟังผ่านๆไปไม่ต้องเก็บเอามาใส่ใจเก็บเอามาใส่ใจมากกลายเป็นว่าภาวนาไปก็มีแต่ความคาดหมาย ในสิ่งที่เคยได้ยินได้ฟังภาวนาแล้วต้องเป็นอย่างนั้นภาวนาแล้วต้องเป็นอย่างนี้คุยง่ายภาวนาไปก็ปั้นจิตปั้นอารมณ์ในใจให้มันเหมือนกับสิ่งที่เราเคยได้ยินได้ฟังอันนี้มันก็น่าจะเจอกัน ส, ส่วนส่วนมากก็ต้องเจอ คนภาวนาต้องเจอแน่นอนยิ่งคนที่ขยันฟังเทศฟังธรรมความจาได้มันก็มากไอ้อย่างนี้โอกชายไอ้อย่างนี้ก็ดีภาวน า, าหลับตาลงไปแล้วก็พยายามจะปั้นให้ใจเรามันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เอเขาว่าอย่างนั้นนี่เอของเราเป็นเป็นแบบนี้มันยังไม่เหมือนที่เขาว่าไว้ก็กลายเป็นว่าฟุ้งซ่านไป ความเคลือบแคลงสงสัยก็เริ่มพอกคูนขึ้นมาจากความได้ยินได้ฟังได้จำได้กลายว่าภาวนาไปก็เริ่มเขาเรียกว่าความรู้ความจำที่มีที่มันเหมือนจะดีนั่นแหละมันก็กลายเป็นเป็นงูพิษเป็นยาพิษที่มันมาแวงกัดเราณนะปัจจุบัน นะตอนที่เรากำลังหลับตาปฏิบัติอยู่อย่างนี้แหละเป็นสิ่งที่เคยได้ยินได้ฟังก็ปล่อยผ่านไปณนะปัจจุบันที่เรากำลังทำงานรักษาจิตใจเนี่ยก็อยู่ในะปัจจุบันจริงๆสิ่งที่เคยได้ยินได้ฟังอะไรก็วางเอาไว้ความรู้ความจำก็วางเอาไว้ อยู่กับปัจจุบันนี่แหละส่วนความรู้ความดีความงามผลจากการปฏิบัติของเราก็เช่นเดียวกันนะอดีตก็คืออดีตที่ผ่านมาแล้วก็ปล่อยวางไปเอาของใหม่เอาของณปัจจุบันตอนนี้ภาวนาไปมันก็จะมี แง่มุมละเอียดแล้วเ อ, อเล็กๆน้อยๆยที่มันเป็นเล่เหลี่ยงกิเลสแบบละเอียดละเอียดเดี๋ยวเราไปแล้วก็คงจะค่อยๆเจอมากขึ้นทีละน้อยสองหน่อยทีละเล็กทีละน้อยที่เราต้องเจอนะแต่ก็ไม่ใช่ว่าจงใจไปเจอข้อสอบพวกนี้หรอกมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเดี๋ยวเราภาวนาไปเราเจอข้อสอบแบบนั้นแต่อย่างน้อยน้ เราเคยได้ยินได้ฟังมาบ้างแล้วเนี่ยเราก็จะได้ไม่เสียเวลานานแต่ก็ไม่ใช่ว่าโอ้ฉันต้องเจออันนี้เขาว่าแบบนี้เรอาอยังไม่เคยเจอให้เรภาวนาผิดหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ไม่ถึงขนาดที่จะต้องมีสภาวะที่มันเจอเหมือนกันทุกคนนะหมายถึงว่าเ้าสอบอย่างเช่นความเคลือบแคลงสงสยัยบางคนก็ไม่ค่อยสงสัยอะไรก็ม งคนทาแล้วก็เห็นสภาวะจิตใจที่ดีก็ตั้งมั่นมีศรัทธาตั้งมั่นเลยว่าเออเราเดินทางมาถูกแต่อย่างบางคนอาจจะฟังโน่นฟังนี่ฟังองนั้นมาองนี้มาเอา้าทำไมไม่ไม่คล้ายกับที่ที่เราทำที่เราเป็นเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็สงสยัยเคลือบแคลนไอสภาวะที่มันดีที่มันเป็นมันก็เลยกลายเป็นว่า ไม่มั่นใจแล้วไม่มั่นใจในของดีที่เรามีที่เราเป็นซึ่งอันนี้มันก็จะเป็นข้อสอบของคนบางส่วนถ้าเราไม่เป็นอย่างนั้นก็ช่างมันนี่เป็นไรอย่างภาวนาการที่เรามาเฝ้าตามพิจารณาถึงความเป็นจริงพอเราเริ่มที่จะเห็นความจริง ตามความเป็นจริงที่ใจของเราเนี่ยเราก็จะเริ่มซาบซึ้งอ่ะซาบซึ้งในคําสอนซาบซึ้งในความเป็นจริงสภาวะความเป็นจริงที่เราเห็นเรารู้ประจักษ์ที่ใจเนี่ยแต่พอทําไปทําไปสักพักหนึ่งเนี่ยจริงๆมันก็จะมีความละเอียดล่อเล็กน้อยเพิ่มเติมขึ้นว่ารู้ความจริงมันก็ติดความจริงกันนะ พอพูดแบบนี้แล้วก็อาจจะเริ่มสงสัยเริ่มงงงๆหน่อยอย่างเช่นเราพิจารณาถึงความไม่สวยไม่งามแล้วมันก็ประทับจิตประทับใจซาบซึ้งขึ้ น, นมาว่าโอ้จริงๆคนเราไม่ว่าจะเป็นสัตว์ไม่ว่าจะเป็นคนมันเป็นของสบปรปกบทั้งนั้นมันซึ้งอยู่ในใจหรือไม่เราพิจารณาความตาย เราพิจารณาความเกิดความแก่ความตายความป่วยไข้เนี่ยมันก็ซึ้งอยู่ในใจว่าเออร่างกายของเรานะมันก็เกิดมามันก็แก่มีป่วยไข้เป็นทุกจอยมานะแล้วก็ต้องตายในที่สุดทั้งนั้นเห็นความจริงประจักษ์ที่ใจนี่มันกะ็ซึ้งอยู่ในใจไอ้ตอนซึ้งมันดีอยู่นะแต่หลังจากที่ เราออกจากสมาธิแล้วนะให้ความรู้ความตรงนี้มันจะเปลี่ยนไปเป็นความจำละเปลี่ยนไปเป็นความจำพอมันมีความจริงที่เราจำได้เนี่ยส่วนมากเนี่ยเราจะตกหลุมพรางของของอิเลนมันก็จะมีขุดหลุมเอาไว้ให้เรา่นะ ลมพลางกิเลสที่มันขุดให้อยากรู้ความจริงใช่ไหมอ้าวเอ็นี้มันหลุดรอดจากข่ายที่เรากั้นเอาไว้มันดันไปรู้ความจริงได้มันก็ขุดหลุมไว้อันหนึ่งขุดหลุมไว้คือขุดหลุมที่ให้เรายึดให้เราติดแต่ความเป็นจริงด้วยมาพูดอย่างนี้แล้วก็อ้าความจริงก็ไม่ดีเหรอดีสิกิเลสมันไม่งั้นมันไม่ปิดไม่บงังไม่ปิดบงัง หมูสัตว์ไม่มันก็ไม่อยากให้รู้ความจริงเพราะว่าถ้าเรารู้ความจริงแล้วก็จะมีศักยภาพที่จะหลีกไกลไม่อยู่ภายใต้อานักของมันแต่ใ น, นเมื่อเราเริ่มมีคุณสมบัติแบบนั้นแล้วดันไปเขาเรียบเปิดกล่องแพนโดร่าขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็กลัวไงมันก็ขุดหลุมดักเราไว้อันก็คือให้เรามีความยึดถือ ในความรู้ของเราพูดไปก็เหมือนแบบแสดงแง่เงื่อนเลยให้ให้ฟังนะแต่ความเป็นจริงคือกำลังเ็าเรียกว่าระบายระบายให้ฟังเพราะว่าอันนี้มันก็เป็นเล่ห์เหลี่ยมอันหนึ่งอันนี้เราก็เจอมากับตัวเอง พอไม่มีคนบอกไม่มีคนชี้นี่ไม่รู้เหมือนกันนะว่าตัวเองเป็นคนที่ติดความรู้เหมือนกันติดความรู้ในความจริงที่เราพิจารณาแล้วเราก็รู้ประจักษ์ใจอย่างไงถึงเรียกว่าติดความรู้ก็คือมันจริงไงก็นนี่ยเมื่อมันจริงอย่างนี้เนี่ยมันจะเอาอะไรมาเถียงจะเอาอะไรมาคัดค้าน เอาอะไรมาคัดงานคัดง้างความจริงอันนี้ได้พอมันเป็นความจริงอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเออข้างนอกเลยทำไมเขาไม่พยายามที่จะมาเห็นความจริงเหล่านี้เนาะทำไมเขาไม่พิจารณาให้มันรู้ให้มันเห็นตามความเป็นจริงเนาะเพราะมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเสียท่ากิเลสซะแล้วเพราะอะไรเพราะว่า เวลาที่ไม่ว่าเป็นเจอสถานการณ์บางอย่างก็ดีเจอคนนั้นคนนี้อย่างเงี้ยที่เวลาเขาปรพฤติปฏิบัติตัวที่มันสวนทางกับความเป็นจริ ง, อ, งอ่ะยังบางคนที่แบบสวนทางเล็กน้อยก็ยังไม่ค่อยกระเทือนใจเท่าไหร่แต่พอที่มันแบบเหมือนกิเลสมันปิดบังจนไม่รู้ความเป็นจริงแล้วก็มัวเม า, เมาหลงไปในกับ สมมุติของกิเลสมากๆเห็นแล้วมันก็จี้จ้าขึ้นไปในใจว่าทำไมไม่พิจารณาให้มันเห็นหนอความเป็นจริงนี่มันดีนะคนเราเนี่ยเกิดมามันก็มีแก่มีตายนะทำไมยังมองมาประมาทอยู่แต่พอคุยแสดงแจกแจงความจริงให้ฟังเอ้าไม่เชื่ออี๋ไม่ทราบซสื้องอีกกิเลสทำไมมันช่าง มีอำนาจมากมายเสียอย่างนี้เป็นอย่างนี้เพิ่มก็กระเทือนใจจีดอยู่เรื่อยจีดอยู่เรื่อยแต่ก็ไม่รู้จะแก้อย่างไงเหมือนกันนะแต่รู้ว่าโอ้เราก็มองเป็นความสลรถสังเวชไปอ๋อเขาทําไมเป็นอย่างนั้นทําไมเป็นอย่างนี้แอบรู้สึกว่าเออมันคือความสลดสังเวชเนาะมันอาจจะไม่ใช่ความ เขาเรียกว่าความทุกข์ที่มันมาถูกต้องจิตใจของเราอบเข้าข้างตัวเองนิดหน่อยแต่พอเราพิจารณาดีๆ ด, ดูจิตดีๆ ด, ดูใจดีๆอะ่ะเราก็รู้สึกว่าเอออันนี้มันก็เป็นความทุกข์ความทุกข์กับจิตใจเราระดับหนึ่งเหมือนกันถึงมันจะไม่ใช่ทุกข์เพราะเพราะตัวเรา ทำตัวเองก็จริงเห็นมันก็มีความสลดสังเวชในเออทาไมเขาไม่เห็นหนอทาไมไว้เขาไม่เข้าใจหนอก็แต่มันก็เป็นความกระทบกระเทือนจิตใจนั่นแหละพอเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็อย่างน้อยนอยก็ยังดีที่ว่ายังรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่มันมากระทบใจแต่ตอนนั้นก็กำาๆกึกึกก่งแต่ก็ไม่รู้จะเออเรจ มีแนวทางในการที่เราจะจัดการกับมันยังไงดีเนาะแต่ก็ยังโชคดีที่เ้าเรียกว่าแล้วก็ต้องมีหมู่กัลยาณมิตรเราใช่ไหมพอได้สั่งสนทนากับหมู่กัลยาณมิตรเนี่ยโอ้คำเดียวเท่านั้นนะ่ะจบเลยอ๋ออย่างนี้นี่มันเขาเรียกว่าติดความรู้นะโอ้เท่านั้นนี่โอ้ใจเรานี่แจ้งเลยโอ้ใช่แล้ว ติดความรู้จริงๆอาการของการติดความรู้เป็นอย่างนี้เนาะเราติดอะไรเราก็ยึดถือเอาไว้อะไรที่เรายึดถือมันมีเรื่องมากระทบในส่วนที่เรายึดถือมันก็กระทบใจเราเนี่ยแหละโอ้ใช่แล้วเรามีความรู้ถ้าเราไม่วางความรู้เรายึดติดในความรู้ของเราคนมันไม่ได้รู้เหมือนเราทุกคน คนไ ม, ไม่ได้ยินดีในความจริงแบบนี้เหมือนกันทุกคนนีโอ้ท่านั้นแหละก็ได้ขึ้นมาจากหล่มที่กิเลสมันขุดดักเอาไว้เหมือนกันคำเดียวเลยโอ้ติดความรู้นี่จบเลยทีนี้ใครจะเป็นยังไงมันก็เรื่องของเขาไปนะมันก็ไม่กระเทือนใจ เขาพิจารณาได้ดีเข้าใจถึงตามความเป็นจริงมันก็เป็นความดีของเขาส่วนใครไม่อยากทําไม่อยากปฏิบัติมันก็ช่วยไม่ได้มันก็เป็นเรื่องของเขาเช่นเดียวกันถ้าเรามีจิตที่เป็นเมตตาบอกสอนด้วยความเป็นเมตตาชี้นําด้วยความเป็นเมตตาแล้วมันก็เป็นหน้าที่ของเขาแล้วละ่ะหน้าที่ของเรามันก็เต็มที่เท่านี้นี่มันก็ไม่ค่อยกระเจิดใจมาก เพราะนั้นมันก็เห็นแง่มุมของอความเก่งกาจของกิเลสเพิ่มขึ้นอีกโอ้ไม่ใช่ว่ า, าพิจารณาเห็นถึงความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาของสิ่งต่างๆภายนอกแล้วเนี่ยเห็นถึงสภาวะต่างๆตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยกิเลสมันจะพ่ายแพ้ต่อเรานะโอ้มันยังมีเล่ห์เหลี่ยมอีกเยอะที่มันจะคนไปดีมันไปดีแต่ไม่สุดทางเนี่ยมัน มันมีอุบายอีกเยอะในการที่จะให้เราเนิ่นช้าบ้างให้เราหยุดไปต่อไม่ได้บ้างทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่างที่บอกไปก็คือถ้าเรามีสติคอยเห็นใจเราก็จะละเอียดละออกับสภาวะความทุกข์ที่มันมาถูกต้องจิตใจของเรามากขึ้นมากขึ้นอย่างเรื่องเล็กน้อยแค่นี้เนี่ย เรื่องติดความรู้เนี่ยคนธรรมดาทั่วไปต้องบอกว่าเขาก็ไม่ใส่ใจหรอกว่ามันเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าอยู่ในขายขอบขายของความทุกข์อะ่ะใครมันจะไปคิดใครมันจะไปรู้ได้ว่าไอ้ความติดความรู้เนี่ยมันก็เป็นเหตุนำทุกข์มาให้เราได้แบบหนึ่งเหมือนกันมีความรู้มันต้องดี ต้องพยายามที่จะรู้แต่ถ้าเราละเอียดละออเพิ่มขึ้นเนี่ยเราก็จึงได้เห็นว่าเออมันมีแง่ ม, ม, มุมบางเง่มุมที่ความรู้มันก็สามารถที่จะถ้าเราวางตัววางใจแล้วก็ประพฤติปฏิบัติกับมันไม่ถูกต้องมันก็เป็นเหตุนําความทุกข์มาให้เราได้เหมือ น, นกัน เพราะฉะนั้นมันก็ตรงตามที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้สัตเบนาลังอภินิเวศายะทนทั้งหลายไม่ควรยึดมั่นถือมั่นทานทั้งหลายนั้นก็รวมถึงความรู้เรานี่แหละเรามีหน้าที่รู้เข้าใจแล้วก็ต้องไม่ยึดมั่นถือมั่นกับมันด้วยพอเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยก็ไม่ใช่ว่า เป็นคนที่ไม่เอาอะไรนะบอกรู้แล้วอถ้าเรายึะติดเราก็จะทุกข์สิ่งงั้นช่างหัวมันทุกอย่างกลายเป็นคนไม่ทําอะไรเลยไม่เอาอะไรเลยไม่เอาประโยชน์อะไรเลยอย่างนั้นกิเลสก็สอยเขาไปอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นคนที่ปฏิบัติธรรมมันก็เขาเรียกว่าเป็นคนที่เคยหลง อยู่ในโลกสมมติใช่ไหมแล้วก็เป็นคนที่เข้าใจสมมตุติแล้วก็เป็นคนที่หลุดออกจากสมมตุตินะแต่ก็รู้แล้วก็ใช้เป็นทีเนี้ยเป็นคนที่ไม่หลงแล้วแต่เป็นคนที่ใช้สมมุติเป็นแล้วเป็นคนที่ไม่ยึด ต, ติดในสมมตุติแล้วก็ปล่อยวางได้อาคนปฏิบัติธรรมก็จะอัพเลเวลขึ้นมาเป็นรู้จักสมมติ ใช้สมมุติไม่ยึดติดในสมมุติแล้วก็วางวางปล่อยวางมันได้นะเพราะฉะนั้นใจมันก็จะเบาสบายขึ้นไปอีกพอรู้จักรู้จักสมมุติแล้วรู้จักใช้เนี่ยมันก็จะใช้ได้ดีเราอยู่ในสถานะของเพื่อนร่วม ง, งานจะทำตัวเหมือนเป็นเจ้านายเป็นเจ้าของบริษัทมันก็ มันก็อยู่ยากแต่ถ้าเป็นเจ้าของทำตัวให้มันสมฐานะของเจ้าของแต่ถ้าเป็นเจ้าของแต่ทำตัวเหมือนกับเป็นลูกน้องคนหนึ่งมันก็จะไม่ค่อยเอาภาระอะไรของบริษัทมากเพราะภาระการงานหน้าที่ของอผู้บริหารหรือเจ้าของเนี่ยมันก็มันต้องมีมากมีมากกว่าพนักงานธรรมดา เพราะฉะนั้นเนี่ยเรารู้รู้จักสมมติเรารู้จักหน้าที่เรารู้จักขอบข่ายหน้าที่แล้วเราก็ทําให้มันดีตามหน้าที่ตามสมมติที่เรามีเราอยู่ที่ทํางานเราก็สมมติก็คือเป็นพนักงานเป็นเจ้าหน้าที่มีงานที่ต้องทํา อ, อย่างคนเป็นครูอยู่โรงเรียนก็สมมติว่าเป็นครูใช่ไหมก็สอนนักเรียนสอนเด็กด้วยจิตที่ไม่เป็นเมตตามีความรู้มีความรักในลูกศิษย์ลูกหา บอกสอนอย่างมีเมตตาหวังประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่เขาอเงี้ยอันนี้ก็เป็นครูที่เราทําหน้าที่ได้ดีอย่างเป็นนักเรียนนะก็ทําให้มันดีอ่าตั้งใจเรียนไม่เก็บมเมล็ดเกเร น, นะเหล่านี้แหละแต่ถ้าอยู่โรงเรียนเป็นนักเรียนนะแต่จะทําสมมุติคือสมมุติของการอยู่บ้านเอาไปใช้ที่โรงเรียน อันนี้มันก็ถือว่าเราใช้หน้าที่สมมุติบนโลกใบนี้ไม่ถูกอยู่บ้านก็น่าจะสมมติก็คือเป็นคนที่บ้านเป็นลูกของพ่อแม่หรือเป็นพ่อแม่ของลูกเป็นสามีของภรรยาเป็นภรรยาของสามีแล้วก็ใช้สมมุติให้มันดีแต่ถ้าเราอยู่บ้านเราใช้สมมติคือเรา ใช้สมมติของที่ทำงานเรากำลังทำงานอยู่อย่เียมันก็ใช้ไม่ถูกที่ไม่ถูกทางมันก็ตมไม่ดีมันก็ไม่ค่อยดี น, นะเพราะนั้นก็รู้จักสมมติใช้สมมติแล้วเราก็รู้ว่าความจริงที่แท้เป็นยังไงใช่ป่ะเราก็รู้จักสมมติด้วยรู้จักความจริงด้วย เราจริงไม่ติดในสมมตินะนะเพราะอะไรเพราะเราพิจารณาเห็นแล้วนี่ว่าความจริงคืออะไรสุดท้ายที่เราสมมติว่าเราเป็นลูกที่เราแม้ในที่สุดเรากําลังสมมุติอยู่ว่าเราเป็นคนเราเป็นผู้ชายเราเป็นผู้หญิงเป็นจัดเป็นบุคคลนะอันนี้คือตัวตนนี่วรานี้เขา่าเราก็ยังถือสมมติไอ้ น, นี้อยู่แต่พอเราพิจารณาถึงความจริง ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่เที่ยงแท้มันก็สุดท้ายก็เป็นทัต ส, สี่ะนะไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลตัวตนที่เที่ยงแท้มันก็เป็นสัตว์เป็นบุคคลเที่ยงแท้ตามสมมุติในช่วระยะการหนึ่งเท่านั้นเองเพราะนั้นเราก็จะไม่มัวเมาประมาทในการใช้สมมุติอันนี้จึงปล่อยวางสมมุติได้ด้วย เราปล่อยวางได้ใจเราก็เบาสบายจากสมมติได้ฉีกสมมุติออกมาจากใจใจก็จะกว้างขวางอะ่ะพอสมมุติที่มันโดนฉีกออกมาแล้วนะใจเรามันกว้างขวางแบบโอ้ไม่รู้จะกว้างขวางยังไงสมมุติที่มันท่วมทับเนี่ยมันทําให้ใจเรามันดูคับแคบเหลือเกิน แต่พอสมมุติมันได้ออกไปจากใจแล้วใจเรามันเบ้าสบายกว้างขวางโปร่งโล่งไม่รู้จะพูดยังไงดีนะแต่รู้ว่าบอกอะไรมามันดีนะการที่ไม่มีสมมุติมันมาท่วมทับจิตใจนี่นดีมากอันนั้นเราก็ลองพิจารณาบ่อยๆถึงมแม้ว่าเราเคยพิจารณาได้แล้วครั้งหนึ่งแต่เราก็ต้องพิจารณาบ่อยๆทําให้มันชํานาญ ไม่ใช่ว่าทำครั้งเดียวได้แล้วก็เลิกกันไปไม่ใช่ทำได้แล้วก็ต้องทำบ่อยๆทำให้มันละเอียดไปอีกละเอียดละอเพิ่มขึ้นไป